ให้เพื่อพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจไว้ภายในอย่าคิดส่งออกไปภายนอกการส่งจิตออกไปภายนอกมันไปเกาะไปคล้องทุกคนต้องให้คิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่กิรังยั่งยืนเป็นของทั่วคราวไม่เป็นไม่เป็นของยั่งยืนอะไรดังนั้นจึงไม่ควรไปผูกพันกับมันเพียงจะอาศัยมันอยู่ แต่จะเอาจิตไปผูกพันกับมันให้สอนใจของตนอย่างนั้นถ้าไม่สอนใจไม่เตือนใจตัวเองอย่างนั้นแล้วมันไปติดมันคล้องจริงๆเพราะเกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่มีธาตุสี่ขันห้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรโลกภายนอกนู่นเพราะมันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มันไม่รับรู้อะไร มีแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แ ป, ปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ส่วนธาตุสี่หรือขันห้าอันรวมเรียกว่าคนหรือว่าสัตว์นี่มันมีความหมายอยู่มากมาย ราะมันมีความหมายอย่างนี้แนหะเราจึงต้องศึกษากันให้รู้ให้เข้าใจโดยแจมแจ้งความหมายมันก็มีอยู่ว่าธรรมชาติที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่นะอันนี้นะี่ยมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนะ ดูที่ร่างกายเนี่ยน้ำหนักคนละห้าสิบหกสิบกิโลมันยังเคลื่อนไหวไปมาได้นี่สังเกตดูให้ดีถ้าจิตดวงนี้ถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างนี้เคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ได้เลยนี่มันมันมันมีความหมายอย่างนี้แหละ แต่คนบางพวกก็เลยเห็นเลยเถิดไปก็ ม, มีเห็นเลยเรปะว่าทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์หมดไม่มีอะไรไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรเมื่อมันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันศู์ไปหมดอย่างนี้มันก็ไม่สำรวมระวัง ในการกระทำความดีหรือความชั่วแล้วแต่จะชอบใจจะทำอย่างไรมันก็ทำไปตามชอบใจตัวเองเพราะความเห็นอันนั้นหละเป็นเหตุทำให้คนเราทำความชั่วโดยไม่เกรงกลัวต่อความชั่วอันนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่าตายแล้วศูนย์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันสูญหมดไม่มีอะไรความเห็นอย่างนั้นแหละมันทำให้มนุษย์เราเบียดเบียนกันทำลายล้างพ้านกันอยู่ในโลกอันเนี้ยไอ้ผู้ที่มีความเห็นว่าการกระทำนั้นมีผลตอบแทน อย่างนี้นี่ผู้นั้นก็จะเลือกทำตั้งแต่กรรมที่ดีเพื่อต้องการผลอันดีงามตอบแทนให้ตนได้ความสุขความสบายสิ่งใดที่มันจะมีผลตอบแทนให้เป็นทุกข์มันก็ไม่ทำไม่พูดมันก็เว้น ว่าผลที่ตอบแทนแก่ผู้กระทากรรมต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ตอบแทนแต่ชาตินี้เท่านั้นบัดนี้มันติดตามตอบแทนไปในชาติหน้าต่อไปนู่นอีกตอบแทนไปหลายชาติทีเดียวกรรมบางอย่างเนี่อความคิดความเห็นนะนี่มันถึงว่ามันสำคัญนะมันมีความหมาย ม, มีอิทธิพล ที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจคันถ้ามองดูอีกแง่หนึ่งมันก็เหมือนอย่างว่าในะอย่างคนจำพวกที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์หมดไม่มีอะไรพอมองดูอันไดมันก็มันไม่มี ความหมายอะไรอ่ะคำว่าร่างกายเถอะี่มันก็ประกอบขึ้นขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกสลายลงแล้วมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมอยู่เหมือนเดิม mm hmm. วันนี้ดวงจิตนี่มันก็มองดูแล้วไม่มีรูปร่างอะไรเลยเนี่ยมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉย เพราะคนที่มองดูจิตอันนี้มันไม่มีรูปร่างอะไรนี่แหละมันจึงสําคัญว่ามันศูนย์มันไม่มีความหมายอะไรเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ศูนย์ไปเฉยๆนี่แหละมันไม่มีอะไรมันก็เห็นกันอย่างนี้แหละคนเรามันจึง อยากจะทำอะไรก็ทำไปตามชอบใจตัวเองมันจะมีผลตามสนองอย่างไรไม่คิดไม่รับรู้เลยเพอมันถือมั่นในทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วศูนย์อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเลยเมื่อมันเห็นไปว่าตายแล้วศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างศูนย์ไปหมดอย่างนี้ อันนี้แหละมันเป็นเหตุให้คนเราประมาทในการลักความชั่วทำความดีให้ระวังไว้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายนะ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรอารร ม, มันทางผิดทางนั้นนะไม่ใช่ทางถูกทีนี้บางความเห็นน่ะทุกสิ่งทุกอย่าง มันเกิดมาแล้วมันแตกดับไปเมื่อไปเกิดไปใหม่มันก็มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามเดิมของมันไม่เปลี่ยนแปลงคือความเห็นของคนบางคนนะ่ะมันดูเอาธรรมชาติพืชผลต่างๆนี่ถ้าอย่างว่า ต้นมะม่วงไงเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นผลมะม่วงทีนี้เมื่อต้นเก่ามันตายไปเอาต้นใหม่เกิดขึ้นมามันก็เป็นต้นมะม่วงอยู่ตามเดิมมันไม่ได้กลายเป็นต้นอื่นไปเนี่ยไปเอาธรรมชาติพืชผลต่างๆเ่านี่มาเทียบกับชีวิตของคนเราอ่ะ ก็พวกนี้ก็เลยเห็นว่าคนเรานั่นหรือเห็นว่าโลกเที่ยงอัเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตนี่มันจะแตกลับทําลายไปแต่เมื่อเกิดไปในชาติหน้าต่อไปมันก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละเคยเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อยู่เคยเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอยู่ตามเดิม เคยเป็นผู้หญิงมาแต่ก่อนก็ก็เป็นผู้หญิงอยู่ตามเดิมเคยเป็นช่างมาหัวควายอะไรก็เป็นช่างมาหัวควายอยู่ตามเดิมชีวิตนี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงความเห็นพวกนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วมั่นก็ถือว่าทำ บาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญสิแบบนี้นะ่ะนั่นไนงะเพราะว่าเช่นอย่างคนเรานี่จะทำดีหรือทำชั่วอย่างไรมันก็ไม่มีผลตอบสนองเพราะว่าความเห็นที่ว่าเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เกิดไปก็เป็นผู้ชายอยู่นั่นไอความชั่วที่ทำในชาตินี้ไม่มีผลตามสนอง ไปตกแต่งนำไปสู่นรกอบายภูมิอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นไม่มีความเห็นของคนเหล่าเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นความเห็นต่งางๆหมว่นีนะ้มันจึงเป็นเหตุให้คนเราทำชั่ว เ, วเวบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เกรงกลัวต่อกำชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เลยดังนั้นนะ บรรดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายควรพาการหลีกเลี่ยงความเห็นดังกล่าวมานี่อย่าไปสร้างความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจเพราะมันเห็นผิดไปจากกฎธรรมดาอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าตัดสรู้ตามกฎธรรมดากฎธรรมดาของโลกนี้เป็นไปอย่างไร พระองค์ก็รู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นองค์ก็แบ่งกฎธรรมดาเหล่านี้ออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทที่มีจิตคลองใจคลองประเภทหนึ่งไม่มีจิตคลองใจคลองนี่มันสองประเภทประเภทที่ไม่มีใจคลองนั้นอันนั้นมันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรจริงไง มันไม่ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อะไรเพราะมันไม่มีจิตรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านั้นเลยเช่นต้นไม้อย่างนี้นะมันเกิดขึ้นมาแล้วใครไปตัดไปฟันมันยังไงมันก็ไม่จิตไม่ร้องครวญค้างอะไรเลยอืออย่างนี้แหละเอา้าตัดมันลงไปมันตายก็ตายไป <c oughs> ส่วนคนหรือสัตว์นี่สิบะนี้มันมีจิตคลองใจคลองเมื่อได้ร่างอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็พาร่างอันนี้ให้เดินไปวิ่งไปได้ทำการงานต่างๆได้ อ, อย่างนี้นะนี่ที่ที่ได้รูปได้ร่างอย่างนี้มา ที่จิตได้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างอย่างนี้นะมันเป็นมาอย่างไรบัา น, นี้นะพระศ า, ศาสดาก็ทรงรู้แจ้งหมดอย่างว่าพืชต่างๆนั่นนะอาศัยอุตุธาตุนีนะ่อาศัยธาตุสี่นั่นเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมันมีสัดส่วนเหมือนๆกันเสมอกันแล้ว มันเลยเกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาได้นี่เป็นต้นไม้เป็นดินเป็นหินอะไรต่ออะไรขึ้นมาหลายอย่างอย่างนั้นโดยโดยที่ไม่อาศัยกรรมดีกรรมชั่วอะไรตกแต่งเลยธาตุเหล่านั้นนะ่ะมันมันรวมกันเข้าแล้วมันก็เกิดขึ้นเฉยๆนี่แหละ ส่วนมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่อันนี้นี่มันจะเกิดเองเป็นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนั้นไม่ได้เลยนะเกิดไม่ได้เพราะพระเจ้าก็รู้แจ้งว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทําเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนูง้นนะกรรมดีกรรมชั่วนั่นนะ่ะ นำดวงขีดปัญญาณนมรรคเกิดในร่างของมนุษย์นี่อีกหรือในร่างของสัตว์นั่นเนี่ยมาตกแต่งธาตุของมารดาธาตุของมิดดานี่อให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาธาตุของมารดาพิดาก็มีธาตุสีอยู่พร้อ ม, อ, มอันนั้นเมื่อเมื่อบุญกรรมมันมาตกแต่ง ให้แล้วอย่างนี้มันก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นธาตุตีขึ้นมาอีกรูปหนึ่งต่างหากแบบนี้คลอดออกมาก็เป็นคนก็เลยสมมุติกันอผูหญิงผู้ชายตามเพศและทีนี้มันก็มีอิทธิพลเมื่อมันเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาก็เดินได้กินได้วิ่งได้ทำอะไรก็ทำได้อย่างว่านั่น นี่ที่มันมีอิทธิพลอย่างว่านี่ได้ก็เพราะเหตุว่าอาศัยกรรมดีกรรมชั่วนั่นเลยมันมนหนุนจิตวิญญาณอันนี้นะให้คิดให้ปรุงให้แต่งนั่นเลยเมื่อกรรมดีมันมาสนับสนุนมันก็ดนบันดาลให้จิตนี้คิดอยากได้ดีอยากทำดี อยากมีความสุขความเจริญนี่เป็นสายของบุญกุศลนะมันเป็นอย่างนั้นเตนในถ้าผู้ใดยึดเถอกรรมชั่วมามากกลัวกรรมดีอย่างนี้กรรมชั่วมันก็มีอิทธิพลมันดนใจนี่ให้ชอบการกระทำความชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นเขาทำความชั่วก็ชอบใจเช่นอย่างว่า คนบางคนไปเห็นเขาดื่มสุรายาเมาอยู่เงี้ยหรือว่าสุขฟินสุข ก, กัญชาอะไรมบบ น, นี้เกิดความชอบใจขึ้นมาแม้น่าจะสนุกสนานดีก็กระโดดเข้าไปร่วมวงกับเขาอย่างนี้แหละเมื่นเดียวกรรมชั่วมันหนุนส่งเห็นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆ โมนั่นเข้าแล้วก็ชอบใจเลยก็ไปเรียนแบบเขาเอาือ่าเขาตกอ้วนตกสะดุง้งทอดแยอย่างงี้นะเขาตกเบ็ดอย่างี้พอเห็นเขาแล้วก็ชอบใจเล ย, ยงั้นเราต้องเอาเอาชอบทอดแหก็หาแหมาีิป่ะนี้นั่นไนงะ เอาไปทอดเหมือนอย่างคนคนนั้นเนี่ยนี่หละชี้ให้เห็นว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงมนพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งตามกฎธรรมดาอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งเอาเรื่องมันนะเราก็รู้ได้ด้วยการพิส สูดดูไอการกระทำของตัวเองและของบุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่แหละเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าบาปมีจริงบุญมีจริง <c oughs> เราเราวินิจฉัยดูอย่างนี้เรียววัดดูรูปประธรรมไปก่อนมัเนี่ส่วนนามธรรมนั่นมันละเอียดไม่มีรูปร่าง มันก็มองไม่ค่อยเห็นนะบางคนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นรูปภายนอกนีมัน <c oughs> แสดงถึงกรรมดีกรรมชั่วตกแต่งให้มันแตกต่างกันนะถ้ากรรมดีตกแต่งให้รูปร่างของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีล้วนแต่ดีๆงามๆทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนี้ ทีนี้ถ้าบาปอากุศลตกแต่งให้รูปคนก็ดีรูปสัตว์ก็ดีกระรวนตั้งแต่ไม่สมประกอบไม่สวยไม่งามแล้วก็มีความบกพร่องไม่ได้สัดยจได้ส่วนอะไรอยู่นี่นะนี่เราเห็นก็นได้ชัดๆอยู่เลยนี่ <c oughs> ทีนี้เมื่อเห็นสิ่งภายนอกนั่นแล้ว ก็มาน้อมเข้ามาภายในปบะนี้น้อมเข้ามาเพ่งดูกิริยาของจิตสิจิตโลภจิตโกรธจิตหลงมันแสดงออกมาอย่างไรเรามาเพ่งดูในขณะที่มันโลภมันเป็นยังไงนี่ก็เมื่อมันโลภแล้วมันก็ไม่มีเมตตากรุณาใครแล้ว มีแต่วางแผนอยากจะได้สมบัติปืนเอาเป็นของตนนะหาอุบายยื้อแย่งเอามาโดยวิธีต่างๆใครจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรก็ชัางมัน น, ะนั่นแหละเราก็รู้ได้เลยว่าความโลภมันเป็นอกุศลนนะมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทุกข์นั้นก็จะมาถึงตัวในภายหลัง ความโกรธก็เหมือนกันจิตโกรธก็คือจิตปราศจากเมตตาธรรมกรุณาธรรมไม่สงสารไม่เอ็นดูใครเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วฆ่าได้ตีได้ด่าได้ทำความพิหน้าทให้ถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปทำร้ายร่างกายเขามันก็ไปทำร้ายทรัพสมบัติเขาให้ ทิพไ า, ายวยอดลงเผาบ้านเผาเรือนเขาทำลายสัตว์วาสิ่งของเขาสัตว์เลี้ยงเขาอะไรหมนีอเนี่ยเราเห็นได้ชั ด, ชดแล้วไม่ใช่หรือความโกรธมันก็มีอิทธิพลถึงกับปาบังคับกายบังคับจิตห้ทำความชั่วให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ อตามกําลังแห่งกรรมนั้นนั้นมันมีมากมีน้อยเพียงใดมันก็โดนบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้มากเพียงนั้นน้อยเพียงนั้นเนี่ยอันนี้ได้ชื่อว่าเรามองดูข้างในแบบนี้นะะมองดูในดวงจิตพี่มันก็เห็นได้ชัดๆเลย ในฝ่ายอกุศลบบดนี้วันนี้ในฝ่ายกุศลเอาก็มองดูจิตตัวเองนี่จิตที่เป็นกุศลน่ะมันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรม <c oughs> มันมีความคิดว่าเมื่อตอนเองต้องการความสุขชันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับเรานี่เองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทำทุกข์ให้แก่คนอื่นและสัตว์อื่นเลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยอย่างนี้เมื่อเราก็ไม่ต้องการความทุกข์ฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่ต้องการความทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละนี่เมื่อพิจารณา เทียบเขาเทียบเรากันดูแล้วมันก็อันเดียวกันเลยความต้องการปรารถนาเมื่อมันมองเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะทาทุกข์ให้แก่ใครแล้วครูนั้นนั่นเรียกว่าจิตเป็นกุศลนะเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็มีความกรุณาสงสารหาหนทางช่วยเหลือให้เขามีความสุขตามอัตภาพ เท่าที่เราจะช่วยได้เห็นคนอื่นเขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญก็แสดงความพลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาหรือเสเมื่อเห็นคนอื่นเขาถึงความวิบัติเมื่อพิจารณาเห็นว่าความวิบัติของคนเหล่านี้มันเกิดจากกรรมจากเวรช่วยไม่ได้ไม่มีทางช่วยเหลือได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเสียใจเศร้าโศก กับความิบัติของคนเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับตนเช่นเป็นญาติวงศ์คงสาอะไรเหล่านี้ก็วางอุเวขาลงได้เพราะมันเหลือวิสัยแล้วนี่ถ้าสิงได้เหลือวิสัยตนทำไม่ได้แล้วยังจะไปแสดงความเสียใจเศร้าโศกครับแค้นอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เปล่าเลยไม่ใช่หนทางของนักปราศ พวกนีปัญญาถนอมนั่นนี่อันนี้แหละจิตเป็นกุศลนะลองสังเกตดู่ะในใจของใครของเราทุกคนนะว่าจิตเราเป็นกุศลอย่างนี้ไหมหรือว่าจิตเป็นอกุศลอย่างที่ว่ามาตอนต้นแล้วไหมรู้ไหมว่าจิตเป็นอกุศล น, ะนี่ทวารู้อย่างนี้ เม่อก็ดีแล้วรู้แล้วมันจะไม่ได้ไปสร้างอากุสนขึ้นในจิตแบบ น, นี้มันจะไม่คิดไปเพ่งเลงในสมบัติผู้อื่นแม้เขาจะมีมากอย่างไรเรามีน้อยเราก็ใช่าตามน้อยยินดีบริโภคใช้สอยตามน้อยนี่แหละเพราะบุญตัวเองมันมีน้อยตนเองก็ต้องได้เสวยความสุขตามน้อยนี่แหละเขามีมากก็เพราะเขาทำบุญมาก เขาทำความดีมาแต่ก่อนนุมมากมันก็มาอำนวยผลให้มากอย่างนั้นแหละถ้าเราต้องการความเจริญความสุขมากๆอย่างนั้นเราก็ทำความดีเข้าซิทำความดีให้มากๆเข้าไปเมื่อชาตินี้มันมีความสุขเพียงแค่นี้แล้วชาติต่อไปเราจะมีสุขมากกว่านี้ถ้าเราทำความดีให้มากๆเข้าไป นี่มันก็รู้จักสอนตนอย่างนี้เลยธรรมดาคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะมันถ้ารู้จักฉลาดสอนตัวเองอือย่าไปโกรธใครอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเพราะถ้าไปผูกโกรธผูกพยาบาทอย่างนั้นกรรมเวรเนี่ยมันก็ตามสนองไปเอาเมื่อไปชาติ หน้าต่อไปกรรมนั่นมันกระดนบันดาลให้ตนนั้นแ่ะไปเบียดเบียนบุคคลผู้ที่ตนพยาบาทไว้นั่นจะบอกไปทำลายล้างฐานชีวิตของเขาอย่างนี้นะเอาเขาเขาก็ผูกเวรกับตนไว้อีกแบบนี้อย่างนี้แหละเมื่อชาติต่อไปนั่นมานี้ต่างคนต่างคนต่างมีเวรต่อกันและกนันกระโดนบันดาลให้ไปเกิดร่วมกัน พอพบกันเข้าแล้วไอ้ผู้ที่มันผูกเว้นว่านั่นมันก็มาทําลายล้างขานผู้ที่ถูกจองเวนน้นนั่นไงนั่นไงให้ย่อยยับลงไปเอาถ้าผู้นี้ถูกจองเว้นถูกล้างขานแล้วผูกอาฆาตเจ็บใจไว้เก็ไปล้างขานคนนั้นอีกไม่มีสิ้นสุดเลยถ้าไม่ ยกโทษให้แก่กันและกันแล้วมันก็จะเที่ยวเบียดเบียนกันและกันอยู่อย่างนั้นไปไม่มีสิ้นสุดจริงๆริงนั่น